สตวงของเส้นไหว้ผีสัมผัสเสียงวอหนึ่งเรียกวอสองทราบระเปลี่ยนเสียงวิทยุสื่อสารเรียกขานวอสองและมีเสียงตอบกลับมา ได้ยินชัดเจนเปลี่ยนมีเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณจุดพิกัด357เปลี่ยนรับทราบจะจัดหน่วยพิทักษ์ูนขึ้นไปเปลี่ยนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสิ้นสุดเสียงการสนทนาทางวิทยุอาคมกับหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ไฟป่าก็เรียกระดมพลหน่วยพิทักษ์ูนซึ่งมีกองกำลังทั้งหมด6นายทุกคนรีบจัดเครื่องมือ แล้วอุปกรณ์ดับไฟป่าขึ้นรถจีบของกรมป่าไม้เมื่อทั้งหมดพร้อมแล้วนายหมีก็ขับรถอย่างเร่งรีบมุ่งหน้าไปยังพิกัด357ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ห่างจากสำนักงานหน่วยพิทักษ์ไฟป่าประมาณ10กิโลเมตรถนนมีเส้นทางค่อนข้างกรุกร่าและสูงชันเนื่องจากเป็นภูเขาลูกเล็กและใหญ่สลับซ้อนกันขณะนั้น เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงรถจีบบรรทุกพนักงานดับไฟป่ามาถึงจุดหมายที่ยอดเขาลูกหนึ่งซึ่งมีรหัสเรียกว่าส5 7หสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าคือเปลวไฟลุกโชนไม่โหมกระหนำ่ำต้นไม้ใหญ่เหล็กถูกไฟป่าเผาเสียงลั่นดังเปรี้ยมวนากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นโดยรอบ ก็ถาโถมพัดเข้ามาแทนเหมือนกับผีหาซาตานที่ช่วยกันเป่าลมให้เปลวไฟพัดโหมกระนำอย่างบ้าคลั่งอาคมและเพื่อนร่วมงานรีบกระโดดลงจากรถจิบและขนเครื่องไม้เครื่องมือลงจากนั้นก็สั่งการให้ทุกคนลงไปสำรวจจุดไฟไหม้โดยรอบเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนดับไฟ ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงที่ทราบข่าวเรื่องไฟไหม้ป่าพวกเขาก็เข้ามาแบบจิตอาสาช่วยดับไฟป่าอีกแรงโดยมีผู้ใหญ่บ้านนำทีมชาวบ้านมาช่วยประมาณสิบกว่าคนอาคมก็เลยวางแผนให้ทุกคนกระจายตัวร้อมรอบบริเวณที่ไฟไหม้ป่าและช่วยกันทำแนวกันไฟ บางคนมีไม้กวาดทางมะพร้าวบางคนมีไม้ตีไฟที่ทำจากลำไม้ไผ่ตรงด้านปลายจะประสานแบบแบนๆเพื่อไว้ตีไฟให้ดับบางคนไม่มีอุปรกรณ์ดับไฟก็ใช้ไม้เท่าที่หาได้ช่วยกันเคียวใบไม้แหง้งหรือตีไฟให้ดับนายเชือซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกให้อาคมทราบว่า ทางด้านทิศตะวันออกเป็นลำห้วยมีสายน้ำตลอดทั้งปีอาคมจึงวางแผนให้ทุกคนทำแนวกันไฟทางด้านทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ต, ตะวันตกและช่วยกันใช้ไม้ตีไฟให้ดับพร้อมทั้งนำถังบรรจุ ก, กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฉีดพ่นเพื่อช่วยให้ไฟดับเร็วขึ้นแล้วทุกคนก็ตีวงล้อม บังคับไฟให้ไหมไปทางทิศตะวันนอจะได้ช่วยกันเอาน้ำในลำห้วยดับไฟเป็นการวางแผนที่แยบยนต์และได้ผลเกินคาดไม่ถึงสองชั่วโมงไฟก็ดับลงแต่ก็มีบางแห่งที่ยังมีไฟคุกกลุนอยู่ซึ่งไฟอาจจะลุกลามขึ้นอีกครั้งก็ได้บางเงินในตอนนั้นก็มีลมพัดกลันโชคมาอย่างแรง เกิดท้องฟ้ามืดครึมพร้อมกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าสักพักฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาทุกคนโล่งอกที่มีน้ำมาช่วยดับไฟคราวนี้ไฟป่าคงดับสนิทแน่แล้วขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6กโมงเย็นผู้ใหญ่เชือ้อจึงพาชาวบ้านเดินทางกลับหมู่บ้านของตน อาคมจึงบอกให้นายหมีและเพื่อนร่วมงานเก็บข้าวของแล้วรีบเดินทางกลับเช่นกันนายหมีขับรถออกจากยอดเขาจุดส5 7ห้าเจ็ดอย่างทุลักทุเลเพราะฝนตกถนนลืน่นลมพัดแรงจนกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นลงมาบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงมาช่วยกันยกต้นไม้ที่ล้มขวางถนนออกไป กว่าจะออกจากป่ามาเจอถนนใหญ่ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วแต่ฝนก็ยังไม่หยุดตกนายมีขับรถจีบฝ่าสายฝนมาได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็เจอศาลาภัากริมทางแสงไฟของรถจีบสาดส่องเข้าไปยังศาลานั้นเมื่อคมเพ่งมองไปในความมืดก็มองเห็นเงาของคนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในศาลาภัากริมทาง จึงบอกให้นายมีจอดรถเพื่อสอบถามเพื่อคนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือพอจอดรถอาคมก็ตะโกนถามคนที่อยู่ในศาลาผ้ากริมทางแต่เสียงฝนตกหนักจนกรบเสียงตะโกนทําให้คุยกันไม่รู้เรื่องอาคมจึงตัดสินใจชวนเพื่อนอีกสองคนลงไปถามกลุ่มคนที่อยู่ในศาลานั้นพอลงไปที่ศาลา ก็พบกลุ่มเด็กผู้ชายประมาณห7เจคนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นแต่ก็มีคนหนึ่งดูอาวุโสกว่าเพื่อนแต่งตัวธรรมัดถามงสวมกางเกงยีนลาเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินอายุคงประมาณ30กว่ากว่าพออาคมเข้าไปสอบถามก็ได้ความว่าคนเหล่านั้นเป็นนักศึกษาของสถาบัานแห่งหนึ่งมาทำกิจกรรมนักสืบสายน้า คือมาสำรวจสิ่งมีชีวิตในลำห้วยแห่งนี้และเก็บข้อมูลบันทึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำโดยทั้งหมดมาด้วยกันเกือบ30คนมีรถบัสของสถาบันมาส่งและมีการแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 6-7 คนแต่และกลุ่มก็มีอาจารย์ควบคุมหนึ่งท่านหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วทุกกลุ่มได้นัดหมาย ให้รถบัตรมารับที่ศาลาริมทางแห่งนี้ในเวลาประมาณ6โมงเย็นแต่เนื่องจากกลุ่มของตนได้เดินศึกษาไปตามลำห้วยจนเพลินแล้วก็เกิดพายุใหญ่มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกอย่างหนักกลุ่มของพวกตนก็พากันไปหลบฝนอยู่ในถ้ำเล็กๆไ ก, กลๆแต่ฝนก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเสียที อาจารย์ในกลุ่มจึงคิดว่าเดี๋ยวจะมืดค่ำจนคลาดกับรถที่จะมารับทั้งหมดจึงพากันเดินออกมาแล้วไปรอตามจุดที่นัดหมายแต่กว่าจะมาถึงที่พักศาลาริมทางนี้ก็เลยเวลานัดไปแล้วพวกตนจึงนั่งคอยรถบัสและคิดว่ารถบัสคงจะย้อนกลับมารับในภายหลัง เมื่อคมรับฟังก็เข้าใจตามนั้นว่ารถบัสของสถาบันคงจะกลับมารับนักศึกษาพวกนี้จึงเบาใจเพราะถ้าชวนกลุ่มคนเหล่านี้ขึ้นรถมาด้วยรถจีบคงรับไม่ไหวจึงได้พูดไปว่าถ้าผมเจอรถบัสของสถาบันจะช่วยบอกว่าพวกคุณเราอยู่ที่นี่นะครับด้วยความสงสารกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ อาคมจึงพูดให้ความหวังไว้ว่าถ้าไม่มีรถบัสมารับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงผมจะขับรถมาดูอีกทีและจะมารับพวกคุณกลับบ้านอาจารย์กับนักศึกษาต่างขอบคุณในความมีน้ำใจของอาคมต่อจากนั้นอาคมกับเพื่อนก็กลับไปขึ้นรถจิบแล้วบอกให้นายหมีออกรถเพื่อกลับไปที่สำนักงานโชคดี ที่ตอนนั้นฝนเริ่มหยุดตกบ้างแล้วแต่ถนนก็ยังมีน้ำเจิ่งนองเป็นแห่งๆนายหมีต้องขับรถอย่างระมัดระวังมาเพราะขับมาได้ประมาณสองกิโลเมตรนายหมีก็เห็นรถตำรวจทางหลวงเปิดไฟสว่างแวบๆมีรถพยาบาลและรถหน่วยกู้ภยัยจอดเรียงรายอยู่ริมถนนด้านหน้านายหมีจึงบอกอาคมว่าสงสัยจะมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้า อาคมจึงบอกให้นายหมีจอดรถเพื่อสอบถามตำรวจที่อยู่ข้างทางแล้วก็ได้ความว่าช่วงเวลาประมาณหโมงเย็นที่ฝนตกหนักมีรถบัสของกลุ่มนักศึกษาขับลงเขามาแต่ด้วยทางลาดชันและถนนลืน่นคนขับได้เหยียบเบรกในขณะที่รถแล่นมาด้วยความเร็วทำให้เบรกแตกจนหยุดรถไม่ได้ พอามาถึงทางโคงก็เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางและดิ่งลงเหวไปเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่อาคมรับผิดชอบดูแลอยู่เขาจึงรู้ว่าเหวนี้ลึกมากถ้าตกลงไปคงไม่มีใครรอดชีวิตไม่นานนักหน่วยกู้ภัยก็ช่วยกันลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาอาคมนึกถึงและเป็นห่วง กลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ที่รออยู่ที่ศาลาภากริมทางพวกเขาคงกำลังรอรถบัสด้วยความหวังโดยที่ไม่รู้เลยว่ารถที่เขารอรวมทั้งเพื่อนๆของพวกเขาได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งหมดขณะที่อาคมกำลังอ้าปากบอกให้ตํารวจทางหลวงไปรับนักศึกษาพวกนั้นกลับลงมาท่านใดนั้นสายตาเขาก็เลือบไปเห็นราง ที่หน่วยกู้ภัยกําลังแบกขึ้นมาคนนั้นเป็นร่างชายสวมเสื้อสีน้ำเงินกางเกงยีนใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดอาคมจําได้ว่าร่างนั้นมีลักษณะคล้ายกับอาจารย์ที่นำนักศึกษามานั่งคอยรถบัสอยู่ที่ศาลาพรกริมทางซึ่งได้พูดคุยกันก่อนหน้านั้นแต่ก่อนที่อาคมจะพูดอะไรออกมาเพื่อนๆของอาคม กสกิดกันให้ดูศกที่หน่วยกู้ภัยกำลังลำเลียงขึ้นมาร่างเหล่านั้นคือเด็กกลุ่มนักศึกษาที่นั่งอยู่ที่พักริมทางทุกคนมีท่าทีงงงวยจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ารถบัสคันนั้นไปรับกลุ่มนักศึกษาและวิ่งแซงหน้ารถจิบของตนตอนไหนเมื่อคิดดูแล้วที่ตำรวจบอกว่าอุบัติเหตุเกิดเมื่อประมาณหโมงเย็น แต่ตอนที่พบเด็กนักศึกษากลุ่มนั้นเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนี่มันอะไรกันอาคมเมียการขนลุกชันตัวสั่นไปทั้งตัวเขารีบชวนพวกเพื่อนๆกลับในทันทีหลังจากที่อาคมกลับมาถึงบ้านก็เข้าไปอาบน้าแล้วเข้านอนด้วยความอ่อนเพลียเขาจึงหลับไปเขานอนหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าและมีเสียงคนเรียกอยู่ที่หน้าบ้านหัวหน้าหัวหน้าลงมาคุยกันหน่อยอาคมรีบลงไปจากบ้านตามเสียงเรียกเขาได้พบผู้ชายคนหนึ่งแต่มองไม่ถนัดหนักที่จำได้ก็เครื่องแต่งกายซึ่งมันดูคุ้นตา ม, มากแล้วอาคมก็นึกกันได้ว่าเป็นร่างของอาจารย์คนนั้น ในขณะทิอาคมยืนตะลึงกับสิ่งที่เห็นหยุดตรงหน้าชายคนนั้นก็พูดด้วยสีหน้าที่ดูดนันเขาพูดกับอาคมว่าทำไมไม่รักษาสัญญาไหนว่าจะมารับพวกเรากลับบ้านพวกเรารอทั้งคืนก็ไม่มาพวกเรากลับบ้านไม่ได้ยังไม่ทันที่อาคมจะได้ตอบอะไรพรันก็รู้สึกว่า มีมือเย็นๆมาเขยา่าแขนของเขาและเรียกพี่พี่เป็นอะไรฝันร้ายหรือเปล่าทําไมนอนครัางฮือๆอย่างนั้นอาคมสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาก็พบภรรยาของเขากําลังเขย่าตัวเขาให้ตื่นเมื่อตั้งสติดได้จึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังวันรุ่งขึ้น ภรรยาก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อของตนฟังอีกเพราะตาของอาคมบอกว่าดวงวิญญาณตายโหงกลุ่มนั้นอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองตายจึงได้ปรากฏตัวให้เห็นและวิญญาณได้มาทวงสัญญาที่อาคมได้ให้ไว้ว่าจะพาพวกเขากลับบ้านเพราะตาจึงนำเสนอวิธีให้อาคมนิมนต์พระสงฆ์ไปทําพิธี อันเชิญดวงวิญญาณเหล่านั้นไปสู่แดนสวรรค์เพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณกลายเป็นผีเฝ้าถนนหรือกลายเป็นวิญญาณเรร่อนไม่มีที่อยู่อาคมจึงได้นิ ม, มนต์พระไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณโดยพระได้ให้อาคมนำสตวงที่ทำจากกาบกล้วยพับมุมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใส่ขนมและอาหารเอาไว้เซ่นไหว้ และให้หาตุงที่มีความยาวประมาณเมตรกว่าๆเอาไปตอนทำพิธีด้วยเมื่อเตรียมของเสร็จเรียบร้อยอาคมก็ให้นายมีขับรถพาตนพระและเจ้าหน้าที่ชุดเดิมในวันนั้นไปณจุดที่เกิดอุบัติเหตุจากนั้นก็ทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเมื่อเสร็จพิธีพระก็ได้วางสตวงไว้ข้างทางและปักตุงไว้ เพื่อให้ดวงวิญญาณไตขึ้นตามตุงไปยังสวงสวรรค์หลังจากทำพิธีเสร็จอาคมและพักพัวกก็กลับบ้านอย่างหมดห่วงใครที่ขับรถหรือเดินไปตามท้องถนนจะขึ้นเหนือหรือลองตายถ้าพบเห็นข้างทางมีสตวงและตุงปักไว้ขอให้รู้ไว้ว่าที่ตรงนั้นเคยมีคนตายนะ จะบอกให้ ส, สัมหัสสยอง